ลมหนาวมาแล้วฝุ่นในกรุงเทพฯคอรจลดลงนะกรุงเทพฯมันมีลมยังนะช่วงอากาศชื้นๆไม่มีลมนะช่วงนั้นนะไนะห้น้ำในอากาศมันก็จับฝุ่นเอาไว้ด้วยไปไหนไม่ไดนะ้พวกเราก็หายใจเข้าไปนะมีการช่วยสังคมช่วยกันหายใจนะ ดูดฝุ่นวันหลวงพ่ออยู่ในป่าก็หั า, หางมีฝุ่นละอองอะไรพวกนั้นแต่มันมีการเผาป่าเผาไร่แล้วพลามขึ้นภูเขาตอนนี้ไฟกำลังไหม้ภูเขามันจะมีฝุ่นละอองเหมือนกันลอองสงสารสัตว์ เผาวันทีนะมันลูกเล็กเด็กแดงหนีไม่ได้ตายไม่เลิกเผาเผาทุ่งเผาไร่มันเป็นวิธีสู้กับยาที่เขาไม่มีต้นทุนใช้ไฟแช็กทีเดียวก็ไหม้หมดแล้ว ไปตัดยญ้าไปเลยนะมีต้นทุนวันนี้มีรถตู้ที่ไหนบ้างาใจเชียงใหม่มีไหมเชื่อหาจใจทั้งหมดเลยเหรอหาจใจยกมือซิหาจใจ มนโนนิคนเชียงใหม่ล่ะเชียงใหม่เชียงใหม่นี่ยืดยัดมากเลยจริงๆแล้วการเรียนกรรมฐานนะง่ายไม่มีอะไรหรอกหลักของมันก็คือเรียนรู้ความจริงของกายของใจ พระพุทธเจ้าท่านยืนยันบอกว่าถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ใจเราจะเบื่อไหนใครความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นก็พ้นทุกข์กันตรงนั้นเองจุดตั้งต้นของความพ้นทุกข์อยู่ที่การเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองนี่จะไปยากอะไรอย่างร่างกายขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหม มันยากไหมต้องทำอะไรพิเศษไหมถึงจะรู้ว่าร่างกายนั่งต้องทำอย่างนี้ก่อนไหมทำคลุ่แต่นี้บางคนยิ้มรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มร่างกายพยักหน้ามันยากไหมในการจะรู้สึกไม่เห็นจะยากอะไรเลย แารรู้จิตใจของตัวเองรู้ได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งคือพฤติกรรมของจิตความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความสุขในใจเรารู้จักไหมรู้ไหมรู้ได้ไหมขณะนี้สุขหรือทุกหรือเฉยเฉยมีสามแบบสุขทุกเฉยเฉยหรือขณะนี้ดีขณะนี้ชั่วดีก็มีหลายเกรด ดีแบบมีสติไม่มีปัญญาก็มีดีมีทั้งสติทั้งปัญญาก็มีชั่วก็มีโลภโกรดหลงหลงเป็นตัวยืนพื้นถ้าไม่หลงก็ไม่โลภไม่โกรดงัเวลาความหลงเกิดเนี่ยมันเกิดตัวเดียวได้เวลาความโลภจะเกิดเนี่ยต้องเกิดร่วมกับความหลงถ้าไม่หลงจะไม่โลภความโกรดก็ต้องเกิดร่วมกับตัวหลงถ้าไม่หลงก็ไม่โกรด ถ้ารู้เนืรู้ตัวอยู่ไม่กลธหรอกรู้จักโลภโกลธหลงไหมรู้จักทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องลึกลับะลรจะต้องตั้งท่าต้องมานยามากมายไหมในการที่จะเห็นรู้ทันความรู้สึกของตัวเองจะเป็นยากอะไรรู้ร่างกายก็ไม่ใช่เรื่องยากรู้ความรู้สึกก็ไม่ใช่เรื่องยากรู้เท่าทันพฤติกรรมของจิต ยากนิดหน่อยเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปดูนะเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปคิดอย่างเวลาเราดูมือถือสมมุติว่าดูคลิปเลยในมือถือนะดูที่ตาเราพัฒน์หลัมลงไปอยู่ในจอที่หูเราก็ไปฟังเสียงบางทีดูอยู่นะฟังอยู่นะหนีไปคิดเรื่องอื่นก็มีนี่ใจมันหนีไปคิด เดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดเวลากินข้าวกินข้าวลิ้นกระทบรสแล้วเรารู้รสตลอดเวลาไหมไม่รู้เรารู้รสเป็นช่วงๆนะั่นแล้วก็เวลาที่เหลือนี่นีไปคิดตอนที่หนีไปคิดไม่รู้รสเนี่ยจิตมันไปรู้รสก็รู้นะจิตมันนีไปคิดก็รู้ จิตมนหนีได้หกช่องหนีไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจส่วนใหญ่คือห น, นีไปคิดมีบ่อยที่สุดจิตหนีไปดูจิตหนีไปฟังอะไรเนี้ยก็รองลงมาจิตไปดมกลิ่นไปริมรสอะไรนี้มีน้อยมีอย่างเราอยู่ในบ้านเราในห้องนอนเรานะมันมีกลิ่นซึ่งใครเข้ามาเขาตกใจเ้าหน่ะแต่เราไม่ได้กลิ่น ในกลิ่นที่เราคุ้นเคยเราไม่ได้กลิ่นเฉยๆพอมีกลิ่นอะไรหอมๆเฉยมาในห้องทึ้งเหม็นๆของเรานะเราได้กลิ่นนอะไรที่คุ้นๆแล้วใจไม่สนใจนั่นที่ได้กลิ่นเพราะใจมันสนใจที่มองเห็นรูปเพราะว่าใจมันสนใจอย่างื่อที่เราลืมตาแต่เราเหมอเคยเป็นไหมลืมตาเหม่อใครมาเราไม่เห็นเขามาถามเราว่าเห็นคนนี้เดินมาไหมไม่เห็น ไม่ได้โกหกแต่ตอนนั้นลืมตาอยู่นะแต่จิตใจมันไม่สนใจจิตใจมันหมดจะไปยุ่งไปคิดเรื่อง น, อน้นเรื่องนี้นมันก็ไม่เห็นรูปเนี่ยพฤติกรรมจิตคือมันรู้อารมณ์ได้ครั้งละช่องนะรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจส่วนใหญ่คือไปคิดเอานะถ้าเป็นนักปฏิบัติทางใจส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งเอาจิตถลำลงไปแล้วไม่เห็น อันนี้ดูยากนิดห น, นึ่งแต่การดูกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากการดูความรู้สึกทั้งหลายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วไม่ใช่เรื่องยากทุกคนดูได้อยู่แล้วแต่ละเลยที่จะดูหลวงปู่ดูลถึงบอกหลวงพ่อนะประโยคแรกที่ไปเรียนกับท่านไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติเข้าไปกราบท่านวันที่หกกุมพาพันสองพัรอยี่สบห้าพเราบางคนยังไม่เกิด บางคนก็แก่แล้วสองห้้าแต่ละคนไม่เหมือนกันไปถึงก็เข้าไปกราบเรียนท่านขอหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่นั่งหลับตาเงียบๆไปนะเกือบชั่วโมงลืมตาให้มาท่านก็สอนการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเห็นไหมท่านยืนยันคําแรกการปฏิบัติไม่ยากการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองไม่ใช่เรื่องอยาก มันยากเฉพาะคนไม่ปฏิบัติมีกายก็ไม่รู้กายมีใจก็ไม่รู้ใจก็แค่นั้นเองแหละสำหรับหลวงพ่อนะหลวงปู่บอกให้ดูจิตบางคนหลวงปู่ก็ให้ดูกายดูกายก็ใช้ได้นะดูจิตก็ใช้ได้เหมือนกันดูความรู้สึกก็ใช้ได้ถ้าดูจิตเนี่ยจะรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตก็รู้เท่าทันพฤติกรรมของจิตที่วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาอย่างเรารู้สึกอยู่ในกายเร้่อยดูไปเรื่อยร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเราร่างกายเนี่ย น, น่าอุปสารคมากร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา หายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกยืนก็ทุกเดินก็ทุกนั่งก็ทุกนอนก็ทุกเนะเคลื่อนไหวหยุดนิ่งอะไรนี่ความทุกมันตามบดขยี้เราตลอดเราก็ต้องขยับหนีความทุกไปเรื่อยเราหายใจเข้ามันทุกขึ้นมาเราก็หายใจออกแก้ทุกหายใจออกไปแล้วก็ทุกอีกนะก็หายใจเข้าแก้ทุกอีกหนีทุกไปเรื่อยร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกนั่งอยู่ก็มีความทุกนะก็ต้องขยับ เปลี่ยิริยบทเพื่อแก้ทุกข์นอนอยู่นึนกว่าสบายนอนอยู่ก็ทุกข์อีกต้องพลิกไปพลิกมาเันทุกอย่างเต็มไปด้วยความทุกข์ในร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเนี่ยดูให้เห็นความจริงเหล่าเนี้ยี่ยากอะไรนักหนาหลวงปู่ดูนยืนยันไม่ยากยากแค่เพาะคนไม่ปฏิบัติมีกายก็ไม่สนใจมีใจก็ไม่สนใจโมเดียสนใจอะไรรู้ไหม สนใจรูปเสียงกลิ่นรสปถธพระธรรมารมไม่สนใจร่างกายจิตใจตัวเองไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายไม่สนใจจิตใจแต่สนใจรูปเสียงกลิ่นรสปถะพระธรรมารมปพรคือสิ่งที่กระทบร่างกายธรรมารมก็คือสิ่งซึ่งใจไปรู้เข้าเราสนใจสิ่งเหล่านี้เราไม่สนใจจิตใจของตัวเอง สิ่งที่ใจไปรู้เข้าเช่นเรื่องราวที่คิดคิดเรื่องโ น, น้นคิดเรื่องนี้รู้รู้เรื่องที่คิดแต่ไม่รู้ว่าขณะที่คิดนะั้นใจของเราเป็นยังไงใจเราสุขหรือใจเราทุกข์ใจเราดีหรือใจเราชั่วไม่รู้รู้รู้เรื่องที่คิดอย่างนี้เรื่องไปรู้ธรรมารมไม่ใช่รู้จิตเวลาขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราโกรธเราไม่ดูว่าใจกําลังโกรธ ไม่ดูว่าหน้าตาเราเนี่ยเครียดขึ้นมาละใจกำลังโกรธหน้าตาก็เปลี่ยนใจเต้นทุบๆๆไม่เห็นเห็นอะไรเห็นไอ้คนที่ปาดหน้าเราแม่ใจมันสนใจแต่ของข้างนอกเมื่อนที่หลวงพูด่ดูลพูดนะันเรื่องจริงเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะพู้ไม่ปฏิบัติ ผู้แม่ปฏิบัติก็ผูดหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจก็หลงไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสรู้สิ่งสัมผัสที่กายไปรู้เรื่องราวที่คิดนึกทางใจเรื่องราวที่คิดนึกทางใจก็มีหลายอย่างคิดไปอดีตก็ได้คิดไปอนาคตก็ได้เวลาคิดถึงอดีตมีกายลืมกายมีใจลืมใจไหมเวลาคิดถึงอดีต เวลาหลงไปคิดอนาคตมีร่างกายก็ลืมร่างกายร่างกายกําลังเป็นยังไงไม่รู้จิตใจกําลังเป็นยังไงไม่รู้นะเพราะหลงอยู่หลงไปอดีตหลงไปอนาคตนะการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบตัตนะิคือพวกที่หลงไปไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองถ้าจะปฏิบัติจะยากไหมนั่งอยู่รู้ว่านั่งยากไหมล่ะ ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะนั่งอยู use, ่รู้ว่านั่งอ่ะพระพุทธเจ้าพูดพิสูจนทั้งหลายเมื่อนั่งอยู่ให้รู้ชัดว่านั่งอยู่เมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่รู้ว่าเดินรู้ว่านั่งใครเดินใครนั่งถ้ารู้ไม่ชัดรู้โง่โง่มีโมหะแทรกก็เราเดินเรานั่งเรานอนถ้ารู้ชัดรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาจริงๆก็จะเห็น ร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอน ร, ร, อ agem, analog, agem, ขขร่างกายมันเคลื life, verloren, object, ่อนไหวร่างกายมันหยุดนิ่งร่างกายมันหายใจออกร่างกายมันหายใจเข้าไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเคลื่อนไหวไม่ใช่เราหยุดนิ่งไม่ใช่เราหายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้าคำว่าเราเป็นความคิดเท่านั้นเองร่างกายมันเคยบอกไหมมันเป็นเราเราใจมันคิดตู่มันไปคิดเอาเองว่าร่างกายนี้คือตัวเราของเรา ถ้าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราจริงสั่งมันสิอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเนี่ยหัดรู้สึกในร่างกายนะเขจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวร่างกายนี้เรายืมโลกมาชั่วคราวรู้สึกไหม ไม่ต้องรอให้ตายเรายืมโลกมาตลอดเวลาหายใจเข้าเนี่ยอากาศเป็นของเราไหมอากาศก็ไม่ใช่ของเราสมบัติของโลกใช่ไหมเราหายใจเข้ามาแล้วไปเดียเด๋ยวๆก็หายใจออกไปแล้วอี mm ่ย hmm. ยืมธาตุมาใช้นะแล้วก็คืนไปยืมมาถ้าใช้แล้วก็คืนไ ป, มม ก, นไปกินอาหารอาหารเป็นของเราเปล่า <laughs> ของเราสิเราซื้อมาะหรือเราไปขโมยมาะ จริงอาหารมันก็ของโลกอาหารเป็นเป็นทรัพยากรของโลกเรากินเข้าไปแล้วเราก็คืนนะเราขับถ่ายออกไปเนี่ยมันก็หมุนอย่างเงี้ยธาตุมันก็หมุนอย่างเงี้ยาบางประเทศนะกินอาหารเหลือไม่ได้นะกินเหลือมากๆเนี่ยมีความผิดถูกตำรวจจับเยมีคนไทยมนุษย์ป้ารู้จักไหมมนุษย์ป้าเดี๋ยวนี้คำนี้เริ่มหายไปแล้ว เพราะว่ามันละเมิดสิทธิสตรีนมนุษย์ปามนุษย์ลุงก็มีแต่ส่วนใหญ่มันเป็นมนุษย์ป้าเพราะผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองอรารวาสเลยคนก็ไม่ค่อยเอาเรื่องผู้ชายเป่นอรารวาสมากถูกโชคถูกซ้อมผู้หญิงคนก็ไม่อยากทำร้ายยงไปในพวกโรคจิตเนี่ยมนุษย์ป้ากลุ่มหนึ่งนะไปเที่ยวเยอรมัน สั่งอาหารมาเยอะเลยชนะั้นรวยสั่งเยอะกินไม่หมดคนเยอรมันมันก็ทวงทำไมสั่งเยอะเกินสั่งเยอะแล้วกินไม่หมดเลยบอกฉันมีเงินไอ้ฝรั่งมันก็เฉยๆนะพอกินไม่หมดจริงๆเรียกบ่อยมากโทรบอกตำรวจเลยคนไทยก็เถียงฉั้นซื้อนี่ของฉัน เป็นชาวพุทธนะแต่อาหารนี้ของฉันนี่ของกูฉันจะทำอะไรก็ได้ตำรวจบอกว่าอาหารเป็นทรัพยากรของโลกเธอทำลายทรัพยากรมากเกินไปมีความผิดเนภูมิปัญญามันเหนือว่าเราอยู่ชั้นหนึ่งนะ <c oughs> มันเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเรา เนี่ยพวกเราพยายามมองอย่างนี้นะแล้วไปเยอรมันจะได้ไม่โดนจับโดนจับนี่ยงวยวายนะบวยวายมุงคนเขาจะไปเข้าเที่ยวที่น้นที่นี่อะไรเี้ยแต่แซงชิวเขาเขาไม่ให้แซงชิวบิดาเขานะตำรวจก็จับแบล็กลิสไม่ให้เข้าประเทศเขาอีกละเนี่ยมนุษย์ป้าเลยไม่ได้เที่ยวเยอรมันมนุษย์ป้าเดือดร้อนไหม ไม่เดือดร้อนฉันเชื่อประเทศหรือนก็ได้ที่จริงแล้ววัตถุธาตุทั้งหลายเป็นสมบัติของโลกเรายืมมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเพ่าะฉนอย่าใช้แบบทําลายใช้เท่าที่จําเป็นไม่ใช่ใช้แบบทํำลายอากาศเนี่นก็ไปทําลายมันน้ําก็ไปทําลายมันทําลายสมบัติของโลกแล้วตัวเองจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ตัวเองเลยแย่ เราต้องไปหาแมสมาใส่เพิ่มขยนะหน่อแก้ปัญหาหนึ่งเพิ่มขยะให้มันเต็มในยะพลาวันก็เปลี่ยนทุกวันมีสติรู้สึกในร่างกายแล้วเราจะเห็นว่าร่างกายเป็นสมบัติของโลกเรายืมโลกมาใช้พระหันเห็นอย่างนั้นแจ่มแจ้งเงินไม่ยึดในกายพระนาคาก็เห็น มันจะไม่ยุดในกายไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติของโลกอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวไม่เที่ยงแก่เท่าแตกสลายไปตอนที่ยังไม่แตกสลายก็เป็นทุกข์ทุกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของที่ยืมเขามาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยอย่างพระอรหันต์ไรเนี่ยรู้แจ่มแจ้งอย่างนี้นะ พระอรหา ร, รักษาร่างกายไหมรักษาทาไมต้องรักษาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราของยืมเข้ามาใช้ต้องรักษาไหมก็ต้องรักษาของที่ยืมมาใช้ไม่ใช่ยืมรถเพื่อนมาขับนะขับจกนกระทั่งเครื่องข่าวพังหมดทั้งคันเนี้ยต่อไปใครก็ไปคบด้วย เวลาเราภาวนาไปเรารู้ความจริงร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ดูแลดูรักษามันมันเป็นสมบัติของโลกเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ให้กับโลกไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเองอีกต่อไปแล้วถ้าเราภาวนาถึงขีดสุดแล้วนะเรารักษาร่างกายนี้เอาไว้เพื่อประโยชน์ของโลกอย่างเป็นพระก็เอาไว้มีเรื่องมีแต่งมาสั่งสอนพวกเราอะไรเงี้ย สอนวิธีปฏิบัติอะย่างเงี้ยหรือบางคนบางองค์ท่านแก่มากนะท่านก็ยังดํารงขันอยู่ดํารงขันอยู่แล้วเป็นประโยชน์กับโลกยังไงคนแค่กราบแค่ไหวยก็ได้บุญแล้วอย่าว่าแต่มนุษย์มาไหว้เนะี่ยเทวดายังมาไหว้เนะี่ยเวียนกันมาเรื่อยๆนั่นเป็นประโยชน์กับโลกโลกไม่ใช่โลกมนุษย์อันเดียวนะเทวะโลกพรหมโลกก็มี ในเวลาเทศถึงตอนสำคัญสำคัญนะี่มีเสียงจิ้นจกร้องมีลูกศิษย์สายหลวงปู่ดูคเขาบอกว่าเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าพระโพธิสัตว์ท่านมาหลวงปู่ดูมาอะไร ห, หูได้ยินเสียงเสียงเป็นของเราไหมหูเป็นของเราไหม ไม่เป็นอะ่ะเดี๋ยตัดทิ้งเลยไม่ใช่เรื่องถามตอบเป็นเรื่องที่ต้องรู้ประหนักด้วยใจจริงจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คิดเอาต้องรู้สึกเอานะหัดดูมไปเรื่อยเรื่อยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆต่อไปจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา ร่างกายเป็นตัวทุกข์หารู้จิตใจบ่อยๆนะเราก็จะเห็นความรู้สึกนานาชนิดหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราความรู้สึกสุขไม่ใช่เราใครเห็นว่าความสุขเป็นตัวเราก็เพี้ยนแล้วล่ะดูไม่ยากใครเห็นว่าความทุกข์เป็นตัวเราก็เพี้ยนแล้วล่ะไม่ใช่เรื่องดูยากความโกรธเกิดขึ้นใครเคยเห็นความโกรธเห็นไหมมันผุดขึ้นมาเองไหม ตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายความโกรธมันเป็นเราไหมไมันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เราเนี่ยความรู้สึกทั้งหลายมันก็ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราจิตใจอย่าไปบงังคับให้นิ่งจิตใจเป็นผู้รู้บ้างผู้หลงบ้างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสลับกับเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งปล่อยให้มันทํางานตามธรรมชาติไปแล้วเราก็จะเห็นนจิตใจนี่ไม่เที่ยง นะจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งว่าจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความดีตั้งใจจะดีเห็นไหมยังดีไม่ได้เลยตั้งใจถือศีลดี๋ยวเดียวศีลก็แบ่งแล้วด่างพร้อยเนะี่ยจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้จริงเฝ้ารูเฝ้าดูลงไปนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นวัตถุธาตุ ยืมโลกมาใช้เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกบีบคั้นตลอดเวลาทูกอิริยาบถทุกลมหายใจเข้าออกทุกความเคลื่อนไหวทุกการหยุดนิ่งทนอยู่ไม่ได้ตลอดมันทุกข์จิตใจนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเช่นความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับกุศลอะกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับ จิตที่ไปดูก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังอยู่ชั่วคราวดับจิตที่ไปคิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นมีแต่สิ่งที่เกิดดับจิตที่รู้ก็เกิดดับจิตที่รู้ก็เกิดดับสลับไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนามาทําทั้งหมดรวมทั้งจิตและสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่ใช่ของดีของวิเศษ ทุกวันนี้ยังหลงว่าความสุขเป็นของดีก็วิ่งหาความสุขทุวันนี้ให้ค่าว่าความทุกข์เป็นของไม่ดีดิ้นรนหนีความทุกข์ต่อไปสติปัญญากแก่กล้าสุขกับทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจะดิ้นรนสแสวงหาหรือดิ้นรนหนีมันทําไมกันของธรรมดาของประจําโลกความสุขมีมาก่อนเราเกิดอีกใช่ไหม โลกมนุษย์นี้น่ะมันก็สุขบ้างทุกบ้างวนเวียนอย่างนั้นเองดินโรนแย่งชิงกันน่ะแย่งกันใหญ่แย่งประเทศแย่งแผ่นดินกันแย่งเมืองกันแย่งสมบัติแย่งผู้หญิงแย่งอะไรกันตอนนี้ไอ้คนที่แย่งมันไปไหนหมดแล้วมันก็ว่างเปล่าตายไปหมดแล้วบูเลงนองชนะสิบทิศแพ้มาชุราาเท่านั้นแหะมันก็ไม่เก่งจริง ที่ไปช่วงจริงเขามานนั้นทำบาปไปเท่าไรเพื่ออะไรเพื่อจะไม่มีอะไรเหลือก็เหลือแต่บาปนะคนมังไม่ฉลาดนะงนเรามาเรียนดูความจริงของร่างกายดูความจริงของจิตใจเราไปพอ เ, เห็นความจริงแล้วสอไปจะรู้ร่างกายน่าเบือ่อร่างกายมีแต่ความทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เรายืมเข้ามาใช้เราก็มีภาระที่ต้องดูแล ร, รักษาในร่างกายเราเนี่ยมีภาระที่เราต้องดูแล ร, รักษามากมายนะมากกว่าที่เราคิดนะไม่ใช่แค่กินข้าวแล้วขับถ่ายแล้วอาบน้ำแล้วนอนไม่ใช่มีแค่นั้นนะยุงกัดคันขึ้นมาต้องเกาไหมเนี่ยมีปัญหาตลอดเวลานั่งอยู่เมื่อยต้องขยับไหมเนี่ยร่างกายนี้ต้องดูแลมากมายนะ ไม่ใช่ของดีของวิเศษเพรอเห็นอย่างนี้ ใ, นใจมันจะเบือ่อร่างกายนี้มันตัวถูกข์แท้ๆเลยไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเลยนี่เพอมันเบือ่อนายมันจะคลายความยึดถืออัตโนมัตินะแล้วแต่ไปจิตก็หลุดพ้นไม่ยึดถือร่างกายแล้วเราเห็นจิตใจของเราทํางานไปเรื่อยๆเห็นความจริงไปเรื่อยมีแต่ความไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่รู้จะดิน้นรนหาสวรรค์วิมานอะไรสวรรค์ก็ไม่เที่ยง มมาโลกก็ไม่เที่ยงไม่เห็นมีอะไรที่อาศัยได้เลยบางคนก็พยายามฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานหวังว่าจะไปเกิดในสวรรค์หรือไปเป็นพรหมจะได้มีความสุขความสุขก็ไม่เที่ยงเป็นพรหมก็ตายเหมือนกันเป็นพรหมก็ตายเหมือนกันเป็นเทวดาก็ตายเหมือนกันวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ ยังเป็นเทวดามนะมีทิพยยาสมบัติมากมายถึงวันที่หมดอายุไขตายสมบัติที่มากมายสลายตัวไปไม่เหมือนสมบัติในโลกนะอย่างสมบัติในโลกเราสะสมไว้พอเราตายมันก็เป็นของคนอื่นไปบ้านเราก็เป็นของคนอื่นมาอยู่รถเราก็คนอื่นเอาไปใช้ร่างกายเราเขาเอาไปเผาทิ้ง ลูกเมียเราบางทีเมียเราก็ไปเป็นเมียคนอื่นต่ออะไรเงี้ยสามีเราไปเป็นสามีคนอื่นต่อเนี่ยของใช้ชั่วคราวทัว้งหมเอาไปไม่ได้แต่พวกเทพเนี่ยคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได้ทรัพย์สมบัติของเทวดาเกิดขึ้นมาจากบุญเฉพาะตัวพาเจ้าตัวหมดบุญของเหล่านั้นก็อันตรธานไปเพราะงั้นในสวรรค์ในปรอมโลกเนี่ย ไม่มีเรื่องพินัยกรรมมีแต่กรรมไม่มีพินัยกรรมสลายไปเลยเพราะเห็นตามความเป็นจริงของร่างกายของจิตใจก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือพอไม่ยึดถือแล้วก็จะหลุดพ้นหลุดพ้นต่อความยึดถือในรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลาย พอเราไม่ยึดถือร่างกายเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายเราจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นความแก่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าความแก่มันเกิดขึ้นร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่ความเจ็บเกิดขึ้นเราก็เห็นว่าความเจ็บเกิดขึ้นเห็นว่าร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บความตายเกิดขึ้นเราก็เห็นว่าความตายเกิดขึ้นเห็นว่าร่างกายมันตายไม่ใช่เราตาย ความสุขความทุกข์ในจิตใจเกิดขึ้นก็เห็นแค่ว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามาแล้วก็ไปไม่ใช่สมบัติที่จะครอบครองไว้ได้ความดีความชั่วมาแล้วก็ไปรูปทั้งหลายที่มองเห็นไม่นานก็สลายไปเสียงทั้งหลายที่ได้ยินไม่นานก็สลายไปกลิ่นทั้งหลายไม่นานก็สลาย ยังรูปนี่เที่ยงไม่เที่ยงดูรูปทั้งหลายเนี่ยอย่างเราเห็นรูปนะรูปนี้เปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะอย่างนั่งกันเยอะๆเนี่ยคนหนึ่งขยับเนะี่ยรูปที่หลวงพ่อมองเห็นเนะี่ยไม่เหมือนเดิมละแค่คนเดียวขยับนะในจานวนคนเป็นร้อยเป็นพันเนะี่ยรูปก็เปลี่ยนแปลงนะสิ่งที่มองเห็นนะเปลี่ยนตลอดเวลา เวลาหลวงพ่อเทศให้พวกเราฟังนะพวกเรานั่งกันเป็นร้อยเป็นพันอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็เทศไปงั้นแหละเหมือนเรานั่งอยู่ในทุ่งหญ้ามียอดหญ้าไหวๆนะแล้วพอเทศเสร็จหลวงพ่อลืมพวกเราหมดเลยนะยังใครมานั่งแถวหน้าแถวที่สองเสนอหน้าว่าหลวงพ่อจําได้ไม่จําหรอก ไม่รู้จะจำไปทำไมเป็นภาระบางทีคนในวัดก็บอกหลวงพ่อว่าเนี่ยคนนี้มาคนนี้เก็เป็นดารานะก็นั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้หลวงพ่อเลอไม่รู้หรอกใครมาใครไปไม่รู้พวกที่นั่งแถวหน้าเนี่ยแล้วพอหลวงพ่อคล้อยหลังไปมาถามหลวงพ่อว่าใครนั่งข้างหน้าบ้างไม่รู้หรอกมันไม่ได้ใส่ใจ เราจะใส่ใจทำไมรูปนี้ของโช ค, คราภมันนั่งพิจรารณาอาสมันดูแมวอย่าพิจาาแมวมันก็เห็นแต่ปฏิกูล <c oughs> เห็นแต่อาสุภะอย่างเงี้ยไม่รู้จะดูไปทำไมเห็นแต่ความเก่าแก่อะไรเงี้ยงันรูปเสียงกลิ่นรสพรุทธภพธรรมารมนะหาสาระแก่นสารไม่ได้แปรปรวนตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจ ถ้อยู่ชั่วครั้งโชั่วคราวแล้วก็แปรปลุนไปเหมือนกันเรืองทั้งอายตนะภายนอกคือสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นไปกระทบทั้งอายตนะภายในหรือตาหูจมูกเลี้ยงใจเต็ไมไปด้วยความไม่เที่ยงเต็ไมไปด้วยความถูกบีบคั้นให้เสื่อมสลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยพอเห็นนะใจมันก็หลุดออกมาไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจไม่ยึดถืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเราจะมีความสุข แต่ว่าความสุขของพันิพาน์า น, นี้ก็ไม่มีเจ้าของเราไม่ได้ยึดถือไม่ได้หวงนะอี่ยเราไปเจอพันิพาน์แล้วมันเป็นสุขอย่างเลยต้องพยายามไปหลอกคนอื่นให้ภาวนาผิดมันจะได้ไม่มาแย่งนิพานของเราเนี่ยนิพานไม่มีเจ้าของไปภาวนานะการภาวนาไม่ยากการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติคอยรู้สึกใจรู้สึกใจไม่ใช่เรื่องยากรู้สึกไป จนเห็นความจริงแล้ววันหนึ่งใจก็หลุดพ้นจากกองทุกไม่ใช่หลุดพ้นจากอะไรหรอกหลุดพ้นจากกองทุกกายนี่คือตัวทุกร้วนใจคือตัวทุกหลุดพ้นจากกายจากใจก็คือหลุดพ้นจากกองทุกทั้งหลายนั่นแหละไปไปกินข้าวไปกินข้าวบํบาบัดทุกนะกินเยอะไปก็ทุกอีกแหละนี่มนนะะัน